วันอาทิตย์ที่13สิงหาคม2538เป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตตนิกายเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิธสัพทากนสาทุชนที่เคารพครับในชั่วโมงนี้จะนำเอาพระสูตรที่ชื่อว่ากัจจานะโคตรสูตรมาอธิบายสืบต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วได้พูดมาถึงข้อความในประเด็นที่สองที่พระพุทธเจ้าโดยทรงตรัสถึง บุคคลเห็นโลกโดยอาการสองอย่างย่อมละทิฏฐิชนิดที่การเห็นอย่างนั้นจะพึงละได้กล่าวคือผู้ที่เห็นโลกเกิดขึ้นที่เรียกว่าโลกสมุทไทยด้วยปัญญาชอบแล้วย่อมละความเห็นว่าขาดศูนย์ได้ในได้อธิบายแล้วในส่วนที่สองที่จะอธิบายสืบต่อไปก็คือที่ตรัสว่าเมื่อบุคคลเห็นความดับแห่งโลก บาลีใช่คำว่าโลกอนนี้โลดด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแล้วความมีในโลกย่อมไม่มีโดยความหมายอย่างสังเขปก็คือเมื่อบุคคลเห็นความดับแห่งสังขารทั้งหลายว่าเพราะสภาวะธรรมอันหนึ่งดับสภาวะธรรมอีกอันหนึ่งจึงดับแล้วก็ดับสืบต่อกันอย่างนี้ความไม่มีคือคทิฏฐิ ขอท่านโทษความมีคือทิฏฐิที่เรียกว่าสัตตตถทิฏฐิของบุคคลนั้นก็ย่อมจะละเสียได้นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่กรงกันข้ามกับประเด็นก่อนที่จะอธิบายสืบต่อไปก็ย้อนมาตั้งหลักว่าคำว่าบุคคลเห็นที่กล่าวถึงในที่นี้หมายถึงกัลยาณพูดุชนกับพระอริยบุคคลนั่นแหละที่เห็นโลก คือสังขารละโลกสังขารละโลกก็คือนามรูปอันได้แก่อัตภาพของเราซึ่งเป็นอารมณ์ของวิปัสนาในลักษณะของปฏิจจสมุปบาทเวลาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทหรือผู้ดีอย่านึกว่าดูนามรูปคือตัวเองโดยในของปฏิจจสมุปบาทนั้นก็จะดูอย่างในสายเกิดในข้อก่อนว่า เมื่อเวทนาเกิดขึ้นเวทนาทำไมถึงเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ว่ามีปัสสะเป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนาเป็นตัวอย่างนี้และที่เวทนาดับเพราะผัสสะดับผมขอขยายความคำว่าดับในที่นี้สักนิดหนึ่งก่อนคำว่าดับนั้นมีอยู่สองอย่าง ดับอย่างหนึ่งหมายถึงดับโดยขณะโดยขณะก็คือนามรูปมาเกิดแล้วก็ดับนามรูปมาเกิดแล้วก็ดับอันนี้เรียกว่าดับโดยขณะอีกอย่างหนึ่งคือดับโดยเด็ดขาดดับโดยแน่นอนก็คือบุคคลเมื่อละกิเลสทุกอย่างได้ปฏิจจานั้นจะดับ กล่าวคือเมื่อละอวิชาได้เนี่ยสังขารที่จะพึงเกิดเพราะอาวิชานั้นก็เป็นอันไม่มีสังขารคือความคิดปรุงแต่งและเมื่อความคิดปรุงแต่งที่เกิดจากอาวิชานั้นไม่มีวิญญาณก็ไม่มีกล่าวคือปฏิสนธิในภพมัดใหม่ชาติใหม่ก็เป็นอันดับด้วยอันนี้ก็ดับกันเป็นเด็ดขาดเพราะนั้นพระอรหันเนี่ย ถึงแม้ว่าท่านจะยังมีชีวิตยอยู่แต่เมื่อทันละอวิชาได้แล้วอวิชาที่เป็นวงรอบที่เป็นหัวหัวหัววงรอบหรือต้นต่อของวงรอบของปฏิจจาวงนั้นที่จะสืบต่อต่อไปเนี่ยเป็นอันไม่มีท่านหมายถึงการดับอย่างนี้เป็นอย่างหนึ่งแต่สำหรับการดับที่กล่าวถึงในที่นี้ หมายถึงบุคคลปฏิบัติแล้วเห็นในวิปัสนาเห็นในวิปัสนาว่าอาวธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมันเกิดแล้วมันดับก็ขอให้นึกอย่างง่ายๆว่าเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ดับผัสสะเกิดขึ้นแล้วก็ดับรวมทั้งสภาวะธรรมตัวอื่นๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเป็นขณะขณะขณะขณะไม่มีอะไรตั้งอยู่ เป็นถาวรนสักอย่างเดียวไอการที่มันดับไปเป็นขณะขณเนี่ยถ้าถามว่ามันดับไปเป็นขณะขณะได้นะเพราะอะไรดับก็ตอบว่าเพราะเหตุปัจจัยของมันดับเนี่อเหตุปัจจัยที่มันดับในกรณีดับเป็นขณะขณเนี่ยตรงนี้อธิบายแล้วก็ฟังนิดนะอย่างเช่นอวิชชาเนี่ย ถ้าดับโดยเด็ดขาดเนี่ยเราย้อนมาดับโดยเด็ดขาดวัลละอวิชาได้โดยเด็ดขาดสังขารที่จะเกิดจากอาวิชานั้นก็จะไม่มีโดยเด็ดขาดอีกเลยและทำอื่นๆที่เกิดสืบต่อไปโดยลาดับจากสังขารนั้นก็จะไม่มีอีกเลยอย่างนี้เขาเรียวกว่าดับเด็ดขาดทีนี้อวิชชาที่เป็นเหตุให้เกิดสังขารที่เป็นการดับโดยขณะอธิบายว่า เมื่อสภาวะธรรมอันหนึ่งเกิดขอขอยกอเวทนาก่อนแล้วกันมันก็ใจง่ายหน่อยเวทนาเกิดแล้วมันดับจริงๆใช่หรือไม่โดยขณะในไอ้ตั้งหลักตรงนี้ดีนะนี่ถ้าถามว่าไอ้ที่มันดับไปโดยขณะเนี่ยมันเพราะอะไรไอ้เพราะเกิดนั่นเราก็ใจง่ายละ่ะว่าผัสสะมันมีเวทนาจึงมีไอ้ น, นี้เขา้าใจง่ายแต่ผัสสะดับเนี่ยจะไปโทษว่า อเอเวทนาดับจะไปโทษเราผัดศสาสดับมันโทษตรงไหนนะนที่ผมว่ามันยากๆตรงนี้ผมถามอีกครั้งนะว่าท่านเคยได้ยินไหมว่าที่เขาบอกว่านามและลูปมันดับเนี่ยมันต้องมีเหตุให้ดับด้วยหรือมันมีเหตุด้วยหรือหรือมันดับไปตามธรรมดาของมันเองจะตอบว่าไง เราอาจจะได้ยินมันดับไปตามธรรมธทีติธรรมนิยามของมันเองไม่ได้มีใครไปทำให้มันดับไม่ได้มีเหตุให้มันดับตอบว่ามันเกี่ยวกับเหตุด้วยเพราะอะไรเพราะเวทนาที่เกิดจากผัสสะเมื่อผัสสะมันมีอายุจำกัดมันจะมาเป็นเหตุให้เกิดเวทนาหาวบอได้ไงถูกไหมนั่นเมื่อเหตุมันมีนมอายุจำกัด ผลของมันก็มีอายุจํากัดเหตุมันเป็นเหตุอย่างไม่เที่ยงผลก็เป็นผลอย่างไม่เที่ยงสังขารคือกรรมที่ทําให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณกรรมเนี่ยถามว่าเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงกรรมเนี่ยเกิดเป็นขนาดขนาดหรือเป็นผืนยาวใหญ่ โดยสภาพอารมณ์วิปัสนาแล้วกรรมก็เป็นขนาดถูกไหมถูกเราฆ่าสัสตว์ตายครั้งหนึ่งประกอบด้วยกรรมหลายหน่วยหลายขนาดใช่ไหมกรรมมันก็เกิดดับถ้าเรามองกรรมเนี่ยนายกฤษณ์ว่ามันเกิดดับกุศลกรรมก็เกิดดับอกุศลกรรมก็เกิดดับเมื่อมันส่งผลให้เกิดวิบาก ค, คือปริสนที่วิญญาณ กรรมมีอายุอย่างไรมีสภาพอย่างไรวิบากของมันก็มีอาการอย่างนั้นอมสภาพอย่างไรหมายถึงอาการอย่างนั้นเหมือนกับลูกเกิดจากพ่อแม่ซึ่งมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาลูกก็มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเหมือนอย่างพ่อแม่เป็นถึงแม้ว่าหน้าตาจะไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่ ในตรงนั้นไม่เหมือนที่ผมกล่าวว่ากรรมกับวิบากเนี่ยมันคนละชาติกันมันไม่ได้เหมือนกันในแง่อื่นแต่ในเชิงอารมณ์วิปัสสนาแล้วมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าเพราะเหตุปัจจัยดับผลของเหตุปัจจัยนั้นก็ดับเหมือนเหตุนี้กล่าวโดยกันนาะผมต้องย้ําว่ากล่าวโดยกันนาะทีนี้เวลาคนที่เขาปฏิบัติกําหนด อย่างในขั้นวิปัสนาเอาเป็นว่าเราสงวนเรื่องบรรลุไว้ก่อนแล้วก็ไปเห็นธรรมดาอย่างนี้่อออกผลเนี่ยมันอาผลคือเวทนาเกิดจากปัจจัยปัจจัอายุสัน้นเวทนาก็อายุสั้นเป็นไปตามเหตุของมันเห็นอย่างนี้นะอันนี้เรียกเห็นในเชิงดับขนาแล้วก็ในเชิงดับเด็ดขาดจะเริ่มเห็นเป็นเขาลงหน้า ว่าการที่เราจะพ้นทุกข์ได้จะต้องดับเหตุแห่งทุกข์เพราะรู้ว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเหตุแห่งทุกข์ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือคนทำวิปัสนาจะได้เห็นพวกนี้นะตัวเองได้ประจักษ์ขณะขณะอยู่แล้วก็รู้เลยไปถึงสิ่งที่ตัวเองแม้จะยังไม่ได้บรรลุยังละไม่ได้ แต่รู้ว่าเส้นทางขนทางที่จะละได้เด็ดขาดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แน่เราตามกําหนดรู้ปฏิบัติไปจนถึงจุดของมันเนี่ยเราจะดับเหตุที่เป็นตัวมูลนี้ได้ก่อนตัดตัดเหตุที่เป็นตัวมูลคือตัณหาเป็นมูลอวิยาเป็นมูลพอดับตรงนี้ได้แล้วตรงอื่นก็จะไม่มีการเกิดขึ้นมาอีกเลย คือถ้าอาวิชายังเกิดขึ้นมาเป็นเหตุได้ตราบใดผลก็ยังมีและอวิชชาอันเป็นเหตุเกิดขึ้นเป็นขณะขณะตราบใดผลของมันก็เป็นขณะขณะตราบนั้นถ้าเราดับอวิชาดับแล้วไม่ให้เกิดอีกเลยผลที่จะพึงเกิดอวิชาก็จะไม่เกิดอีกเลย ถึงแม้ว่าการเกิดของมันจะเกิดเป็นขณะก็ไม่มีเป็นขณะให้ปรากฏเกิดขึ้นอีกก็จะรู้อย่างนี้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะปฏิบัติ ด, ด้วยใช้สติปัญฐาเป็นภูมิอาจใ ช, ใช้ปฏิจจาเป็นภูมิหรือใช้ขันห้าเป็นภูมิ ปฏิบัติกําหนดรูรูปนามแล้วจะเห็นอ า, อายลสสัต เ, เป็นสองสิกอรเยสัตสี่นะ ค, คือหนึ่งิกเกิดทุกจะมองเห็นว่าทุกคืออะไรเนี่ยมันเห็นเห็นเห็นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มันเกิดจากอะไรเห็นชีวิตเป็นทุก เห็นตันหาเป็นเหตุให้เกิดชีวิตจากการกำหนดรู้รูปรู้นามปจิบันนั่นแหละไอ้ลายละเอียดอย่างอื่นมันค่อยๆส้ำแดงตัวเองออกมาประจักษ์แก่ใจตัวเองแล้วก็เห็นสิกดับว่าอะไรเป็นเครื่องดับทุกข์ และอะไรเป็นหนทางไปสู่กว่ามันอยู่ด้วยกันนะฮะเราเราเรานึกดูให้ดีนะฮะคนทําวิปัสสนาให้นึกถึงไง อ, งอง้บรรยากาศมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกั น, นเพราะาเราทำไปด้วยกันทุกมันก็คือนามรูปความชอบทุก์มันก็คือความมีสมูทไทยหรือเกิดสมูทไทยเป็นเดชให้เกิดทุก แล้วก็การเข้าไปกำหนดให้เห็นว่าเป็นทุกข์หน้ารังเกียจนั่นก็คือท ร, ร ม, มักใช่ไหมและการที่ทารร ม, มักให้มากลดความอยากในนามในรูปนั้นให้มากสาดใดนั่นก็คือนิโรธที่มันลาดเอียงลงไปลงไปลงไปจนถึงนิโรธแท้ๆคือพระนิพพาน ไอ้สองอย่างนี้จะปปรากฏอยู่ด้วยกันอันนั้นเป็นอารมณ์ของการปฏิบัติแต่ในกรณีที่ท่านกล่าวถึงการละอย่างในสูตรนี้ท่านพูดถึงการเห็นโดยขณะเป็นเรื่องสำคัญก่อนการเห็นโดยขณะที่เป็นของเฉพาะหน้าว่าบุคคลเมื่อเห็นความดับ คือทั้งเหตุทั้งผลมันก็ดับเดวยกันแต่ไอความดับของสิ่งสองสิ่งเนี่ยมันเป็นเห totally ตุผลกันการไปเห็นอย่างนี้ <two coaching> <ieux> คือไอลูกของเหตุผลเนี่ยมันได้ให้ความรู้อะไรบางอย่างและไอความดับเนี่ยมันได้ให้ความรู้อะไรบางอย่างลูกของเหตุผลได้ให้ความรู้อะไรบางอย่าง ความเกิดได้ให้ความรู้อะไรบางอย่างความเกิดที่ได้กล่าวถึงในประเด็นก่อนของอสุดนี้นะให้ความรู้ว่ามันไม่ขาดศูนย์ใช่ไหมฮะเพราะว่านามลูกเนี่ยมันดับแล้วมันเกิด แล้วก็เกิดเกิดเกิดต่อๆกันไปก็เลยทำให้รู้ว่ามันไม่สูญสิ้นสากเพราะอะไรถึงไม่สูญสิ้นสากเพราะไอ้ของเก่าที่ดับไปทำให้เกิดของใหม่ไอ้ของใหม่ที่เกิดดับไปก็ทำให้เกิดของใหม่ ทีนี้ถ้าเรามองรูปนามที่มันสืบต่อกันเราเขียนเป็นภาพสมมุติขณะต้นเป็นขณะเกิดขณะหลังเป็นขนาดดับแล้วก็ก็เกิดดับต่อๆกันไปอย่างนี้นะเรื่อยๆผมกำลังจะพูดถึงอารมณ์ของของวิปัสสนาที่ที่เรียกว่ามันเข้าไปถึงจุดที่ ทิงไอ้บรรยากาศทางกายภาพไปหมดแล้วเนี่ยนะฮะคนไม่มีอะไรที่เป็นคนเป็นสัตว์อย่างที่เราฟังพระพูดมาแล้วจนไม่อยากฟังอีกแล้วไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์มีแต่ผืนของธรรมชาติที่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดั บ, ดบสืบต่อกันไปอย่างนี้ แล้วก็ผืนของเหตุของผลที่มันเป็นไปกับการเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบต่อกันอย่างนี้ไอลักษณะอย่างนี้ทำให้กลืนชาตินี้กับชาตินาเป็นไม่มีชาตินี้ชาตินากลื่นเดรฉานกับมนุษย์สวรรค์กับนรกจนไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีเดรฉานไม่มี เรานึกดูให้ดีว่าเดลฉ า, านกับเรานะโดยสภาวะของอารมณ์วิปัสนาและต่างกันตรงไหนพระพรหมกษัตริย์นรกโดยสภาวะของอารมณ์วิปัสนาและต่างกันตรงไหนไม่ต่างกันนั้นถ้าอคนที่เข้าถึงสภาวะอย่างนี้มันก็มีแต่ไอ้พวกนี้ทั้งนั้นไม่มีอื่นไอ้พวกนี้มีแต่พวกนี้ทั้งนั้นและจุดที่ เป็นจุดสำคัญของการคืนคลายกิเลสเนี่ยคือไอจุดเกิดกับจุดดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับถ้าเราสมมติว่าเราเนี่ยมีแว่นวิเศษติดลูกตาจนกระทั่งมองไปที่ดอกไม้ดอกไม้ไม่มีกายภาพทางดอกไม้ไม่มีมองไปที่คนคนไม่มี มีรูปน้ําิยิบยิบยมองไปที่เลขาอันก็รูปน้ำยิบยิบยิบยิบเหมือนกับเอากล้องอจุลทัศน์มาส่องเนี่ย น, น ะ, ะเราเคยเห็นภาพที่ผ่านกล้องจุลทัศน์อ่ะที่ส่องได้เส้นหนึ่งดูแล้วก็ไม่มีไม่ไม่เป็นได้ส่องอะไรก็แล้วแต่นะแล้วให้มาทายว่า น, นี่คืออะไรแล้วทายไม่ถูกอ่ะแล้วถ้าไปเที่ยวส่องทุกอย่างมาหมดเนี่ยส่องไปถึงรายละเอียดมันก็กลายเป็นอย่างนี้เลย เป็นอารมณ์วิปัสนายอย่างนี้มีแต่ลักษณะปรากฏที่มองไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรอย่างที่กิเลสมันคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หมดสนุกหรือสนุกมากขึ้นถ้าเรามองโลกอย่างไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ย เราก็คงจะใจหายนะเรานึกดูสมมติดูจากเรื่องเนี้ยคงจะใจหายมองแล้วก็กลับบ้านไม่ถูกเลยบ้านใครก็ไม่รู้ไปบ้านใครก็เหมือนบ้านไม่รู้บ้านใครไปบ้านใครเห็นหน้าศัตรูอยู่ต่อหน้าแท้ๆก็ไม่รู้ว่าเป็นศัตรูเห็นมิตรอยู่ต่อหน้าแท้ๆไม่รู้มันเหมือนกันหมดมันหมดสนุกกับของกิเลสกิเลสมันไม่สนุก มันมีแต่ความไม่มีไม่มีความหมายอะไรเลยเนี่ยคือความรู้สึกอย่างอย่างทางวิวรณนานะไม่มีความหมายพิเศษอะไรเลยไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีแค้นไม่มีชังไม่รู้จะไปชังอะไรตรงไหนมันมันเป็นอย่างนี้หมดมีแต่หน่วยลักษณะ มันมีอาการเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างดียิบไม่ใช่แปดสิบปีไม่ใช่ร้อยปีไม่ใช่แปด0มืสี 80, 40, ันกับแป๊บแป๊บแปบายไปอย่างนี้ออไอ้ตรงนี้แหละที่มันสะท้อนกลับเข้ามาสู่การละกิเล อันเป็นเครื่องผัดขวางหรือเครื่องปิดกั้นหลักคือทิฏฐิสองอย่างความจริงไอ้หลักเกิดดับเนี่ยบางสูตรพระพุทธเจ้าพูดว่าเห็นดูตรงไหนแล้วมันมีผลในทางละกิเลสตัวอื่นเหมือนกันแต่ผมจะลองว่ายฟังแล้วแต่ในนี้ท่านมุ่งจะแสดงทิฏฐิเป็นเบื้องต้นก่อนอย่างเช่นเกิดเนี่ยมันคู่กับอภิชาหรือโทมนั้น ถ้าจะให้เราเดาเองอะ่ะเกิดคู่กับอภิชาหรือโทมนัสโดยธรรมดาคู่กับอภิชานะฮะดับคู่กับโทมนัสนามรูปของเราเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาเราก็ชอบดับเราก็ไม่ชอบเพราะนั้นไอ้ดูสองจุดเนี่ยมันมีผลในทางสวนกระแสกับกิเลส สองตัวนั้นกลละด้านในแง่ของความเห็นผิดที่เราเห็นว่าขาดศูนย์หรือเห็นว่าเที่ยงถ้าเห็นว่าเที่ยงเพราะมองแล้วมันไม่เห็นไอ้จุดตัดนะฮะเหมือนเรา เราดูอะไรก็ได้ที่ไม่เห็นจุดตัดเนี่ยมันเห็นเป็นเป็นแท่งเว้นผืนเทียมทีนี้ไอ้ถ้ามันเป็นวัตถุนเนี่ยเราก็พอเมืออถึงมันจะมันยืดยาวขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนเราก็พอจะตามไปดูจุดตัดของมันได้ทั้งในเบื้องต้นเบื้องปลายใช่ไหมฮะมันไม่ยากนักแต่ชีวิตเราเนี่ยที่เวียนว่ายใจเกิดเนี่ยเบื้องต้น ไม่รู้เบื้องปลายก็ไม่เห็นเราจะไปดูไอ้เบื้องตอน้นเบื้องปลายในทางกายภาพมันก็ดูไม่เห็นนีกนะว่าเราเกิดขึ้นเมื่อไรเราจะดับสูญเมื่อไรแต่ว่าเมื่อไม่เห็นไอ้มองตรงนี้ไม่เห็นว่ามันเกิดดับก็เลยบอกนี่เตียงเหมือนกับในมิชาทิฐิที่เขาถือว่าพรหมเตียงเกิดขึ้นมาก็เห็นพรหมมีอยู่แล้ว แล้วก็ต่อมาตัวก็ตายก่อนมาทำฌานทำสมาบัติรละลึกขึ้นไปบนพรมาโลกเห็นโรมนั้นยังอยู่ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ก็เลยนึกว่าเที่ยงนะทีนี้หลักทางศาสนาเนี่ยไอ้เบื้องต้นแล้วก็จุดอวสานมันเป็นเรื่องที่ไม่มีน ะ, ะแล้วก็ไม่ไม่ควรไปศึกษาอย่างนั้น เพรมันรู้ไม่ได้ไม่แล้วไม่เป็นประโยชน์อะไรอธิบายหลายอย่างแต่ไอระหว่างนี้เนี่ยเราเล็งกล้องคือวิปัสนาดูลงไปตรงไอระหว่างจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปดูว่าเป็นยังไงมายัางไงลูกเต่าละเอเกิดมาจากไหนจะไปเข้าลงเมื่อไหร่ดูตรงระหว่างนี้ว่าเป็นยังไงมันเป็นเรื่องดูได้ แล้วเมื่อเห็นแล้วก็มีผลอะไรบางอย่างในการเห็นนั้นเห็นนี้ไอ้ตรงนี้นล่ะฮะท่านถึงบอกว่าคนที่เห็นว่าเที่ยงเนี่ยถ้ามองเข้าไปเห็นความเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นขณะละสัตตตถิติได้ละสัตตตถิติได้ที่สำคัญว่าเราเมื่อหลับอยู่ เป็นอย่างไรตื่นขึ้นก็เป็นอย่างนั้นอันนั้นแล้วเราเมื่อตายอยู่เกิดใหม่เป็นอันเดียวกันเหมือนกันด้วยอัตราเดียวกันอย่างนี้ก็จะไม่มีเพราะเห็นความเกิดดับในระหว่างชีวิตเนี่ยเมื่อเราเห็นในระหว่างชีวิตก็รู้ไอ้ตอนตายกับตอนเกิดจิตมันก็มีการผลัดนละดวงคนละขณากัน ก็ดูแล้วก็น่าแปลกดีเหมือนกันว่าเอ้แค่เห็นเกิดเห็นดับของนามรูปแล้วมันอะไรในใจเราที่เราพกไว้ด้ทัศนคติต่อกระแสชีวิตเรามันไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันถอนเองละเองโดยโดยเหมือนจะเรียกได้ว่าไม่ไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องรู้สึกอะไรมากนักเลยอ่าในทานองตรงกันข้าม ถ้าเห็นจุดเกิดเห็นจุดเกิดที่ว่ามีผลต่อการละอุดเชท ท, ทิฏฐิอย่างที่ได้พูดแล้วเนี่ยอุดเชท ท, ทิฏฐิน่ะว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยตายแล้วศูนตายแล้วขาดแต่ตอนยังไม่ตายเนี่ยเที่ยงเป็นอันตามีอันตาแต่ตายแล้วขาด ตพุตตเจาบอก ว, ว่าเพราะไม่เห็นความเกิดเห็นความเกิดเมื่อไหร่ เ, เวลาที่เราจะถอนความเห็นว่าตายแล้วสูญออกจากความรู้สึกของคนบางคนเนี่ยเราไปเอาความเกิดอย่างหยาบมายืนยันนะฮะเช่นไปเอาคนที่ระลึกชาติได้มายืนยันเนี่ยอาตายจากชาตินั้นแล้วมันเกิด เยอะเยะนี่ะ yeah, yeah, yeah, nah. อันนี้ยืนยันหรือกรณีอีกกรณีหนึ่งคนนั้นมีตาทิพมีจุตูปฏตญาณเห็นคนเกิดว่าในกองเมื่กอก่อนเป็นมนุษย์ตอนนี้ไปเกิดชาตินนี่เห็นความเกิดในอย่างห ย, ยาบๆชาติใหม่มายืนยันว่าเออเขาเกิดจริงๆแต่หลักวิปัสนาเนี่ย อ, อกล่าวว่าไอเห็นอย่างนั้นไม่เทียบขาด ไม่ลึกซึ้งและเป็นหยาบกว่าการเห็นด้วยวิปัสนาทั้งที่วิปัสนาเนี่ยไม่ได้เป็นจุตูปปัสยานเห็นไอ้กลไกลเฉพาะหน้าที่เดียวเนี่ยนะะไอ้ความเกิดดับและความสืบต่อของเหตุของปัจจั ย, ยที่เดียวอธิบายไอ้ตรงนั้นได้เลยนึกเลยไปถึงข้างหน้าได้เลยนึกเลยไปถึงอดีตได้เลย เพราะว่าคนที่เห็นตายแล้วเกิดบางทีก็อธิบายอะไรไม่ได้เหมือนอย่างอย่าว่าแต่คนอื่นเห็นเลยแม้แต่คนที่ละลึกชาติได้เองที่เขาไม่รู้นะว่ามันอะไรคืออย่างคนที่เขาตายแล้วก็เกิดใหม่ละลึกชาติได้อย่างพวกวหลั่งเนี่ยก็มีเยอะแยะเนี่ยนะ ลองให้เขาอธิบายที่ว่าทำไมเขาถึงไปเกิดไปเกิดเพราะอะไรถามอย่างงูอย่างนี้แล้วจุติจิตกับปฏิสนธิจิตมีหรือไม่เป็นคนละดวงกันหรือดวงเดียวกันเขาไม่รู้หรอกนี่ที่ผมบอกว่ามันยาบคืออย่างนี้คนมีตาที่ผูที่ถึงไปเห็นอย่างนี้มันก็ยาบ มองไม่เห็นกระแสะเหตุปัใจจัยในทางลึกๆอย่างวิปัสนาวิปัสนาเนี่ยเห็นอย่างลึกๆแล้วก็อธิบายไปข้างหน้าได้ตลอดอธิบายย้อนไปข้างหลังได้ตลอดอธิบายแทนความเป็นจริงของคนอื่นๆได้ตลอดเนี่ยจากการกำหนดเห็นอย่างนี้ การเห็นอย่างนี้จึงเหมือนกับที่เปรียบว่าเหมือนกับชิมน้าเค็มชิมเกลือเม็ดหนึ่งแล้วก็รู้เกลือทั้งหายว่ามีรสเค็มเหมือนกันโดยเปรียบเทียบนะก็ยังรู้สึกว่าข้อเปรียบเทียบนี้ยังจะไม่ให้ความรู้สึกชัดเจนอะไรมากนักเท่ากับความอัศจรรย์ของการอย่างรู้ ของวิปัสนาที่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันให้เห็นปัจจุบันเจาะลึกลงไปมันเห็นทั้งกระแสะเหตุกระแสะปัจจัยด้วยตัวของตัวเองแล้วก็เกิดการคืนใครโดยอัตโนมัติด้วยตัวของตัวเอง น, นี่เป็นสิ่งที่สูตรนี้หมายถึงหมายเอาการเกิดการดับ ในลักษณะายละเอียดอย่างนี้ถ้าอยู่ในขั้นวิปัสสนาก็อย่างว่าเป็นขณะในทางเห็นได้ละได้ในขั้นขณะถ้าเป็นอย่างพระอริยะบรรุมรรคผลแล้วก็สามารถที่จะละได้ในลักษณะโดยเด็ดขาดคือทำปฏิจจานั้นให้หยุดทำงานสืบต่อไปในเบื้องหน้า เราไปดูข้อความต่อไปนะเรื่องการอย่างรู้ด้วยอริยญาณตรงนี้ท่านจะขยายความมาถึงการละกิเลสที่มีฐานะเป็นตัวหลักของ ความทุกข์ในสังสารวัตคือเรื่องเรื่องกิเลสที่เป็นของเรื่องโดยปปัญจะ ร, รมนะตัวหลักตรัสว่าโลกนี้โดยมากยังผัวพันด้วยอุบายอุปาทานอาภินิเวศอธิบายแค่นี้ก่อน ทีว่าโลกนี้โลกตรงนี้มีความหมายหมายถึงสัตว์โลกสัตว์โลกและสัตว์โลกตรงนี้หมายถึงปูทุชนและโลกโดยมากจะหมายถึงปูทุชนถือว่าเป็นสัตว์ส่วนมากคําว่ายังครัวพันธุ์ ด้วยอุบายอุปาทานพินิเวศคําว่าพัวพันบาลีชื่อคําว่าวินิพันธะและไอคําว่าพัวพันตัวนี้ก็เป็นชื่อกิเลสเหมือนกันซึ่งก็ฟังดูแล้วก็ไม่ใช่แปลกอะไรในทางวัตพจน์หรอกแต่อาจจะแปลกหูเราว่าเราเนี่ยพัวพันกับกิเลสของเราด้วยอะไร เอาอะไรไปผัวพันกับกิเลสตอบว่าเอากิเลสไปผัวพันกับกิเลสกิเลสติดกิเลสกิเลสชอบกิเลสกิเลสรักษากิเลสไม่ได้เอากุศลไปผัวพันเอกุศลถ้าลองไปยุ่งเกี่ยวกิเลสแล้วไม่ใช่ผัวพันแล้วเป็นการแก้ได้ความว่าเราเองเนี่ย เรามีกิเลสด้วยและกิเลสของเราเราก็ถูกชื่นชมยินดีเห็นชั่วเป็นชอบนะฮะพูดอย่างเทียบๆกับสำนวนเราเห็นชั่วเป็นชอบตัวชอบกว่าชั่วตัวถูกชอบกว่าชั่วนี่เป็นวิสัยผู้ทุชนทุกคนเป็นอย่างนี้กิเลสมันถึงอยู่กับเรากิเลสเพิ่มกำลังกิเลส ดังนี้เองจึงตรัสว่าสัตว์โลกโดยมากเนี่ยยังผัวพันด้วยอุบายอุปาทานอภินิเวศนะในพูดถึงผัวพันคำคำว่าอุบายตัวแรกเนี่ยตามศัพท์แปลว่าเครื่องให้เข้าถึง เราใช้ในภาษาไทยเรามีความหมายไปอีกอย่างหนึ่งทั้งดีทั้งไม่ดีนะฮะก็เลยจะพูดอาจจะพูดตัวนี้ตัวเดียวแล้วตัวอืน่นดีกันใกล้ๆกันพูดเยอะหน่อยเออู่บายที่แปลว่าเครื่องให้เข้าถึงเนี่ยมันมีสองอย่างกุศลอูบายที่เราต่อสับเป็นกุสโลบายกับอกุศลอูบาย หรืออากูสโลบายอากูสโลบายไม่ค่อยใช้กันนะไม่ค่อยใช้พูดนะฮะแต่ใช้ในทางปฏิบัติใช้ในทางปฏิบัติจริงๆของสัตว์ส่วนมากไอ้ที่บอกว่านี่กูสโลบายกสบายไม่ใช่แล้วเป็นอากูสโลบายกูสโลบายคือเครื่องเข้าถึงคือความฉลาดหรือคือกูศลกูสนอันเป็นเครื่องเข้าถึง อกูสโลบายคืออากูสนันเป็นเครื่องเข้าถึงนี่ก็ถามว่าคําว่าเข้าถึงเนี่ยถึงอะไรถึงอย่างไรในอีกอันหนึ่งถึงอะไรตอบว่าอากุสโลบายที่กล่าวถึงในที่นี้อกูศลหรือกิเลสพวกนี้เป็นเครื่องเข้าถึงวัฏจัทุกเนีท่านเอาทุกสูงเลยครับ ถ้พูดเลยมันเพลาลงมาหน่อยก็คือเป็นอุบายเครื่องเข้าถึงความทุกข์ความเดือดร้อนความทุกข์ความเดือดร้อนความชั่วร้ายหายนะทั้งหลายอากูสโลบายเป็นเครื่องเข้าถึงสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวเราก็สงสัยเอ๊จะหาความหายนะใส่ตัวตั้งทีต้องใช้อุบายได้เหรอบอกต้องใช้ทั้งคู่ครับ จะเข้าถึงความสุขหรือถอนตอนจะ ก, ก็ต้องใช้อุบายมันไม่ใช่ของคือถ้าพูดอย่างเป็นกลางๆเนี่ยมันไม่ใช่ของได้ง่ายทั้งคู่นะฮะอันในสูตรเนี่ยพูดถึงอากูสโลบายเป็นเครื่องเข้าถึงวัฏฏะทุกขเป็นที่สุดเดี๋ยวเราเร า, เรามาแวะพูดถึงกูสโลบายเป็นความรู้ประกอบนิดหนึ่งก่อน กุโลบายเครื่องเข้าถึงคือกุศลหรืออุบายแห่งกุศลหรืออุบายคือกุศลกุศลเป็นชื่อของความฉลาดมีสามในพระไตรปิฎกเล่มสามสิหพูดไว้สามหนึ่งอายะกุศลสอง อปายโกศนสามอุปายโกศนอายะโกศนแปล ว, ว่าความฉลาดในความเจริญอปายโกศนความฉลาดในความสึกคำว่าความฉลาดในความเจริญก็คือหมายถึงรู้จักกุศ ล, ลธรรมอย่างท่องแท้ว่าจะเป็นตัวของกุศ ล, ลธรรมผลเกิดขึ้นจากกุศ ล, ลธรรมเหตุเกิดกุศ ล, ลธรรม เครื่องแสลงกุศลและทำอะไรพวกนี้นะรู้จักหมดเขาเรียกว่าอายโกศนอปายาโกศนคือรู้จักอกุศลว่านี่เป็นอกนุศลเกิดจากอะไรเป็นยังไงแต่ละปัจจายนี่อย่างอปาอุปายาโศชนความฉลาดในอุบายเนี่ยข้อนี้หมายถึง บุคคลผู้มุ่งจเจริญกุศล น, นั้นต้องรู้อุบายบุคคลผู้มุ่งละอกุศลอันตอนรู้จักแล้วนั้นต้องมีอุบายนี่พอบอกต้องมีอุบายอุบายคืออะไรบ้างก็เยอะแหละอย่างที่เราพูดกันมาในช่วงต้นก็เป็นอุบาย ที่จะทําให้กูศลหายที่จะทําให้อากูศลเกิดและดํารงมั่นในดันดานของเรานี่ตัวนี้เป็นตัวเครื่องเข้าถึงความสําเร็จนั้นอุปยัยะโกศนเป็นความฉลาดในการในความเข้าถึงความสําเร็จนั้นๆแต่เนี่ยเรามาดูอากูสโลบายเนี่ยนะแตอ่อากูสโลบายเนี่ย ซึ่งเป็นเครื่องเข้าถึงความหายนะความทุกโดยเฉพาะวัตทุกที่กล่าวถึงในทีน่นี้อะไรเป็นเครื่องเข้าถึงในสูตรนี้พูดไว้สองอย่างตันหูบายกับคิดถูบายนี่เป็นเครื่องเป็นเครื่องเข้าถึงเป็นองค์ธรรมหรือเป็นตัวที่นำสัตว์ให้เข้าถึง วัตถุกแล้วถ้าถามว่าแล้วมันทำยังไงทิฏฐิมันก็ทำอ า, อาการคือความเห็นผิดเช่นว่ารูปเป็นตนเวตนาเป็นตนสัญญาเป็นตนต้องการเป็นตนปิญญาเป็นตนเป็นของตนแล้วก็เป็น ตัวตนที่แท้จริงของตนอย่างนะี้นะมันก็คิดแล้วก็ยังคิดด้วยอาการต่างๆมากมายดังนั้นถ้าเรายังถูกความคิดนี้ครอบงำอยู่เราก็ยังเข้าถึงสังสาร ส, สารวัตรชาติแล้วชาติเรา ต, ตายแล้วก็เข้าสู่สังสารวัตรต่อไปชาติใหม่เป็นลำดับเป็นลำดับไปอย่างนี้ ตัญหาอุบายก็คือความติดความอยากความติดเนี่ยก็ฟังดูก็ไม่เหมือนไม่ยากนะเราอยากเราติดแล้วก็กระทำการเพื่อสนองความอยากความติดนั้นด้วยประการต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ต้องกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดมามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจกันอยู่อย่างนี้เลยๆเพราะเราติด เพรนตัวนี้ก็เป็นอุบายเป็นเครื่องเข้าถึงสังสารวัตรการที่บุคคลจะเดินวิปัสสนาก็คือถอนไอสองตัวนี้เป็นเรื่องอย่าพรน้าไม่ให้ตันหานิสยัยไม่ให้ทิฏฐินิสยัยคือไม่ให้ตันหาอาศายัย สันดานของตัวเองในการรับรู้ขนาดนั้นนั้นไม่ใช่ไม่ให้ทิศ ท, ที่อาศัยสันดานตัวเองในการรับรู้นั้นๆก็จะถอนอุบายทั้งสองอย่างนี้ได้เมื่อเราถอนได้ก็คือเราหมดความผูกพันหมดความชอบใจติดใจซึ่งกิเลสพวกเราชอบใจทั้งกิเลสและสิ่งที่กิเลสมันชอบ สองอย่างด้วยกันแต่เราชอบใจกิเลสเนี่ยเป็นเป็นเรื่องหลักเรื่องละยากและเป็นเรื่องที่ไม่ได้ละเลยเหมือนกับสิ่งที่กิเลสไม่ชอบมันก็มีชอบบางบางเวลาในบางสิ่งแล้วก็เปลี่ยนไปชอบอย่างอื่นไม่เป็นถาวรแล้วก็ถอนคืนละคลายได้ง่าย กับของภายนอกอุปาทานความถือมั่นก็ทรงหมายถึงอุปาทานสองอย่างและอภินิเวศคือความฝังใจก็ฝังใจด้วยตัณหาและทิฏฐิสองอย่างนี้ก็จึงเป็นคำที่ต่างกันโดยวยพจนธเหมือนกันโดยความหมายัสัตว์โลกโดยมากเวนพระอริยะ ทวนทัวทุกตัวคนเนี่ยถูกตันหาและทิฏฐิครอบงำจึงต้องเข้าสู่สังสารวัตรแล้วแล้วเรไม่เบื่อไม่อิ่มเลยต่อไปตรัสว่าแต่พระอริยะย่อมไม่เข้าถึงย่อมไม่ถือมัน่นย่อมไม่ตั้งมัน่นซึ่งอุบายและอุปาทานนั้นอันเป็นอาภินิเวศและอนุสัยซึ่งเป็นที่ตั้งมัน่นแห่งกิจว่าอัตตาของเรา ดังนี้ <c oughs> ข้อความนี้นะ่ะลึกหน่อยเข้าใจยากการแปลเป็นภาษาไทยก็ค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อยนะฮะพุทธพจน์ ท, ที่กล่าวถึงตรงนี้นะ่ะเราพูดถึงส่วนที่ง่ายๆออกไปก่อนว่าพระอริยะทั้งสี่นะย่อมไม่เข้าถึงย่อมไม่ถือมั่นย่อมไม่ตั้งจิตไว้ก็คือไม่ผัวพันนั่นะนเองในนี้หมายถึงไม่ผัวพันด้วย ไม่มีกิเลสอันเป็นเครื่องพัวพันไม่พัวพันในกิเลสก็หมายความว่าคือลองคนละกิเลสไปได้เท่าไหร่ในความพัวพันไอ้กิเลสตัวถูกละก็ละไปและกิเลสที่จะมาพัวพันมันก็ละลดลงไปแหละเือนของไปเท่ากันพูดเหมือนเป็นคนละส่วนกันแต่จริงๆเวลาละแล้วก็ละได้ทั้งสองส่วน อข้อความที่ว่ายาคือบรรทัดต่อไปที่บอกว่าอันเป็นอาภินิเวศและอนุสัยซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งจิตตั้งมัน่นแห่งคิดว่าอัตราของเราอัตราของเรานำหมายถึงปลาลบนามรูปโดยความเป็นอารมณ์แล้วคิดว่าอย่างนั้นด้วยตถาคติดแต่ที่ว่าตั้งมัน่นกิเลสตั้งมั่งกิเลสกับจิตมาอาศัยกันตั้งมั่นเนี่ยจะต้องเขียนเป็นภาพ แทนความหมายหน่อยตัณหาทิฏฐิมนอาศัยอยู่ในจิตคืออากุศลจิตและกิเลสที่อยู่ในอากุศลจิตเนี่ยท่านอธิบายว่าทําให้ให้จิตนั้นตั้งมัน่นแต่ตั้งมั่นในทางผิดในทางบาปและพร้อมกันนั้นไอตัวตัณหาและทิฏฐิ ที่มันอยู่ในจิตท่านก็บอกว่าตั้งมั่นในจิตท่านใช้คาว่าตั้งมัน่นแล้วก็ตามนอนคือนอนเนื่องอยู่ในในอกุศลจิตนั่นด้วยจิตก็คือความรับรู้ของเราเนี่ยนะฮะรับรูรบ้เรื่องนั้นเรื่องนี้คุณคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นนถ้านึกคิดด้วยจิตเป็นอกุศลมีตัณหาความอยากอยากแล้วก็ทิฏฐิความเห็นผิด เกิดอยู่ในนั้นแล้วพระพุทธเจ้ากล่าวหมายว่าตัณหาทิฏฐิเนี่ยเข้าไปตั้งมั่นอยู่ในจิตอันเป็นอกุศลคือกิเลสกับอกุศ ล, ลจิตเนี่ยมันเป็นของเกื้อกูลกันเป็นของให้กําลังกิเลสคนจิตเป็นกุศลแล้วก็กิเลสมันสั่นคลอนไม่ได้กําลังไม่ใช่ที่ตั้งมั่นของมันจะไปยั่วยุให้ใครเกิดกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่เขามีพื้นจิตเป็นกุศล อยู่มากมากหรือแรงๆเนี่ยยากจิตของเราเองเหมือนกันถ้าเมื่อใดกุศลและจิตเกิดอยู่เป็นระยะบ่อยๆในช่วงใดช่วงหนึ่งเป็นพิเศษเนี่ยกิเลสก็จะเข้ามาตั้งมั่นยากไอ้ความอิทธาลมระวางนั้นที่เราจะยึดถือก็อยากแล้วก็ไอ้ความคิดเห็นที่น่าเชื่อระวางนั้นเราก็จะไม่เห็นผิดหลงเชื่อ ไปในทางที่ผิดได้โดยง่ายเพราะว่าจิตเราเป็นกุศลความหวั่นไหวให้กับไอ้กิเลสที่มันจะมาโจยโอกาสเป็นการป้องกันกิเลสโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเมาื่อใดจิตบาปเนี่ยมันเหมือนกับผีซ้ำด้ามปล่อยกิเลสจะทําให้อาการทางจิตนั้นกล้าแข็งขึ้นทันทีและระหว่างนี้นะคนลองคล้ายๆว่ามีเคราะห์ จิตตกต่ําเนี่ยจะชักนําทําให้เชื่อให้หลงให้ยึดลายใจ ง, ง่ายมากเลยทีเดียวมันเป็นช่องของมันอันหนึง่งเนี่ยกิเลสกับอกุศลจึงเป็นของเป็นที่ตั้งมัน่นของมันเป็นสนามที่รองรับกิเลสความจริงทุกตัวนะแต่วัยสองตัวในสันถว์เป็นตัวหลัก คราว น, นี้อากุศลและจิตของเราการรับรู้ของเราที่มันเป็นไปในฝ่ายบาปเนี่ยพอมันได้อากุศลเข้ามาสถิตมันกล้าแข็งเลยครับเข้มแข็งขึ้นทันทีเอท่านอธิบายอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าตราว่าเป็นที่ตั้งมั่นแห่งจิตเนี่ยคืออธิบายเป็นอัญญามัญญาปัจจัยกันอย่างนี้เหมือน เสือกับป่ายญ่ากันดินยิงอาศัยกันเป็นที่ตั้งมัน่นทีนเมื่อตั้งมั่นแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้นะท่านพูดอย่างในชั้นวิปัสสนาไม่พูดทั่วไปบางทีเรายกแล้วก็ยกกรณีอื่นมาประกอบบ้างแต่ตรงนี้ท่านพูดอย่างอารมณ์วิปัสสนาว่าอาคุศลรจิตเกิดขึ้นคิดถึงอะไร คิดคิดถึงอะไรคิดถึงตัวเองเอกุศลจิตในในในสูตรนี้นะในเรื่องอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นคิดถึงตัวเองพอคิดถึงตัวเองด้วยจิตที่เป็นอกุศลปั๊บตั้นหาเข้าที่ตีเข้ามันก็เพิ่มความเข้มแข็งเพิ่มมโนภาพอย่างผิดผิดผิดอย่างเข้มแข็งว่าอัตตาของเราซึ่ง อารมณ์นี้หรือความคิดถึงตัวเองอย่างนี้เป็นของสแสลงวิปัสนาวิปัสนามีภารกิจต้องถอนความคิดอันนี้ถ้าปล่อยให้ตัณหาจิตใเข้ากรองใจมันก็จะต้องเพิ่มความคิดอย่างนี้นี่เราก็มานึกว่าชีวิตเราแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแต่คิดอย่างนี้ใช่ไหมมีแต่ความรู้สึกว่าเป็นตัวของเรา เป็นตัวของเรามีแต่เรามีแต่เขามีแต่เร า, ม, เรามีแต่เขาไม่เคยไม่เคยว่างเลยใช่ไหมฮะมีวันไหนบ้างไ ม, ไม่ไม่คิดลืมคิดว่าเร า, าเขามีบ้างมาถ้าไม่เข้ากรรมฐานหรือไม่ใช่พวกนะักกรรมฐานอย่างสูงๆหน่อยนะไม่มีมันมีแต่คิดไม่เคยลืมแต่อย่างเราก็ยังดีว่าเรายังมีความคิดอื่นมาบ้าง แต่พูดว่าโลกส่วนมากที่ไม่ใช่กรลยานะปุตติชนเนี่ยไม่เคยคิดนอกไปจากแนวความรู้สึกของตันหาและทิฏฐิเลยมันก็ย้ำอยู่อย่างเงี้ยยำ้ยำยำ้ยำย้ำเจอทั้งไอมโนภาพเรื่องนี้ของเรามันกลายเป็นของควรจะถูกในความคิดของเขาเหล่านั้น และถ้าไม่คิดอย่างนั้นแล้วกลายเป็นเรื่องผิดอย่างมหาหันในความคิดแบบนั้นเนี่ยบุตุชนจะมีความคิดอย่างนี้แล้วก็ความรู้สึกก็เป็นตัวตัวเราตัวเราอในสูตรนี้ท่านพูดไว้เพียงอันเดียวความจริงความคิดว่าเป็นเป็นเราเราเนี่ยมันมีอยู่สามสามสาขานะคือหนึ่งคิดว่าเราคิดว่าของเรา แล้วก็คิดว่าตนของเราสามความคิดในสูตรนี้ท่านเอาเอ า, เอาไอ้ตัว้ายแรงขึ้นมาพูดเหมือนกับพูดถึงกิเลสก็เอากิเลสตัวายแรงมาพูดแล้วก็เวลาพูดถึงวิธีละก็เอาการเห็นอย่างอุกฤษที่มีผลต่อการละคือเกิดคือดับอะไรเนี้ยนะมาเป็นที่พูดเพราะว่าสูตรนี้พูดอย่างสั้น สัมมาทิฏฐิเอาสัมมาทิฏฐิอย่างชั้นดีมาพูดไม่เอาชั้นธรรมด า, มาพูดตรงนี้อขออธิบายนิดนึงว่าถ้าเป็นทั้งหมดนี้เนี่ยท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องนอกตัวเลยท่านพูดถึงความคิดที่ปลาลบตัวเองมันจะมีอาการคิดอยู่สามอย่าง ความคิดที่ปลาร์บตัวเองอย่างชนิดที่ก่อวัตตะก่อสงสารเพิ่มพูนกำลังกิเลสสองตัวนั้นคือความคิดสามอย่างนี้ผมพูดถึงข้อสุดท้ายก่อนที่บอกว่าตนของเราเนี่ยความรู้สึกว่าตนสมมติมว่าในก่อเขาก็มีความรู้สึกว่าตน ผมก็มีความรู้สึกว่าตนนายก็เขาบอกว่าฉันตนของฉันผมก็บอกว่าตนของผมให้ความสำคัญแก่ตนของผมนายก็ให้ความสำคัญแก่และเวลาพูดนายก็บอกเขาก็มีตนล้วก็บอกเชื่อแต่นั่นมันตนของคุณส่วนตนของผมเนี่ยมันคือตนของผมนี่คือตัวของเราตนของเราเรารู้สึกว่าเป็นตนแล้วก็เป็นตนภายใน ภายในหมนยถึงในสันดานเราตนของเรานะเองก็ไม่น่าพูดอะไรมากอะมันง่ายนี่ตนของเราตนของคนอื่นทีนี้ถ้าเราไปคิดว่าเออตนของคุณมันไม่ได้สร้างสงคิดอะไรใช่ไหมลองคิดนดิเราเชื่อคนอื่นเขามีตนเราไปทุ่มตัณหาทิฏมาหน้าทิฏฐิกับตนของคนอื่นเหมือนของเราเปล่าไม่ทุ่ม แล้วเป็นเหตุให้เกิดความเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาศเหมือนเหมือนปลาลบตนของเราไหมเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในสังสารวัฏไม่รู้จบเหมือนอย่างปลาลบตนของตัวเองไหมก็ไม่นะเพราะนั้นไอ้ตั้นหาทิถี ท, ท, ที่รูปคล้ำตนของเราปลาลบอิ่มเองมเปลมใจอยู่กับตนของเราทำพฤติกรรมเพื่อสนองความรู้สึกว่ามีตนของเรานั่นแหละลายแรงมาก พระอริยะถอนได้เนี่ยท่านต้องแน่มากเลยแน่มากเลยนะไม่ใช่แย่มากเลยแย่มากเลยนะคนนอกวัดพูดท่านต้องแน่มาเลยถึงละลายความรู้สึกนี้ออกมาทีนี้มาพูดถึงของเราของเราตรงนี้ไม่ได้หมายถึงของนอกตัวการปลาวลบวของเราอย่างเป็นของนอกตัวเนี่ยไม่ไรแรงครับ เหมือนกับตนของคนอื่นไม่ไหลแงและของนอกตัวทำไมไม่ไม่เป็นเราไม่เป็นอาตาเพราะเวลาเราคิดว่า อ, อย่างผมของเราเงี่ยนะใจของเรานิสัยของเราวาสนาของเรามันไม่ใช่ของนอกตัวความจำของเราปัญญาของเรา นี่คือคิดว่าของเราสิ่งที่อยู่ในตัวแต่คิดว่าของเราคือจริงๆเนื่องจากมันไม่ใช่ของใครและไอความคิดมันจะคิดอีด้านไหนมันก็คิดถึงมันได้ใช่ไหมถูกไหมไอจริงๆมันไม่ใช่ของใครเนี่ยแต่ความคิดเนี่ยมันคิดว่าเป็นตนเป็นของเรามันก็คิดท่านู้นท่านี้ได้ทั้งทั้งที่มันอะไรมันก็ไม่ใช่สักอย่างหนึ่งนี่อันหนึ่งคิดในฐา น, นะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของไอ ข้างล่างนะ่ะคิดว่าเป็นตนภายในเป็นตนของตัวคือในรายละเอียดท่านก็จะแจกแจงว่าบางคนเนี่ยเห็นว่าจิตเป็นตนแต่ร่างกายเป็นของตนนะหรือว่าจิตเป็นตนอบุญวาสนาสมรรถภาพอย่างตัวนั้ น, อ ย, น, นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นของตนคิดแยกแยะไปอย่างนั้น แต่เวลามันเกิดความรู้สึกขึ้นมาบางทีมก็ปนกันยุ่งอะครัใช่ไหมบางทีใครเข้ามาล่วงเกินผมคนเล็บฟันหนังเนื้อบางทีมันก็เกิดความรู้สึกเป็นต้นเข้ามาอย่างนี้มันสับสนกันมุนวุ่นหมดแต่ไอความคิดเป็นอย่างเชิงเหตุผลเชิงทฤษฎีมอาจจะคิดทางโน้นทางนี้แต่เวลาเกิดจริงเข้ามันมั่วกันหมดเลยสับสนตามภาษาของเหมือนคน โลกศาสตร์นะ่ะสตรสนอเงี้ยทีนี้เราที่ท่านกล่าวว่าเป็นเราตรงนี้นะ่ะคืออะไรเราตรงนี้หมายถึงการนึกถึงตัวเองอย่างอ่อนกว่าตัวตนว่าเราผมคนเล็กฟันหนังเนื้อเนี่ยเรา ไม่ได้คิดอย่างเป็นเชิงของแล้วก็ไม่คิดแก่อย่างว่าเป็นตัวตนที่เที่ยงแท้มันใกล้เคียงกันเหลือเกินทั้งหมดนี้นะ่ะเป็นความรู้สึกที่เรามีแต่ช่างประหลาดเหลือเกินไอ้เรื่องนี้นะ่ะอธิบายยากจริงๆเรื่องของนี่ตนถะึงบอกว่าเราไม่มีอายะไม่มีอาปายยะโกศลเห็นท่าจะจริงอ่ะคือไม่ฉลาดในอ ก, กุศลใช่ไหม เราถึงให้เคยรู้เรื่องของเราทำให้พระต้องมานั่งปวดหัวเรื่องที่จะพูดเรื่องกิเลสของเราให้เราเข้าใจผมจะไปตามเทพคำบรรยายชุดหนึ่งแล้วมาให้คุณมณีก็ลองนะเพื่อใครจะฟังเรื่องคนนี้เรื่องอเอตังมามาอัตาตานิยานะรู้สึกจะพูดไปสี่ครั้งนะที่วัดบรณะติลีเมื่อหลายปีแล้ว แล้วก็เลยจะพูดอธิบายยกตัวอย่างอะไรไว้พิสดารชัดเจนหน่อยเกี่ยวกับสามคำเนี่ยเนื่องจากว่ามีพระคุณเจ้าท่านอยากย้ยอธิบายข้อความที่อยู่ในอนัตตลขณะสูตรเนี่ยมันใกล้ลกันมากแล้วก็ได้ทำแผนภูมิเอาไว้พอสมควรด้วยข้อความต่อไปนะ พระผู้มีภระตาลัดว่าย่อมไม่เคลือบแคลงสงสัยคำว่าไม่เคลือบแคลงสงสัยนัหมายถึงความคิดของพระอริยะทัตนคติของพระอริย์ที่มีต่อนามรูปนะย่อมไม่เคลือบแคลงสงสัยว่าทุกนั่นแหละเมื่อบังเกิดเกิดขึ้นย่อมบังเกิดเมื่อบังเกิดขึ้นย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อดับ ย่อมดับตรงนี้นะสํานนนแปลงดีบางแห่งก็แปลเลราะเราอาจจะคุ้นกี่อื่นที่บอกว่าทุกเท่านั้นเมื่อเกิดย่อมเกิดขึ้นหรือทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นดับไปอื่นจากทุกไม่มีอะไรเกิดอื่นจากทุกไม่มีอะไรดับคำว่าทุกตรงนี้ไม่ใช่ทุกขเวทนาแต่หมายถึงก้อนสังสารทุกเราแต่ละคนเนี่ยเป็นก้อนสังสารทุก เป็นของไม่น่าปราถนาะไม่น่ายินดีอย่าว่าจะจะไปเที่ยวคิดว่าเป็นตนเป็นของเราที่มันไปคิดด้วยความากหนัดยินดีนะด้วยความเห็นผิดและกหนัดยินดีมันไม่ใช่สักอย่างหนึ่งมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครและไม่น่าจะเป็นของใครด้วยไม่น่าจะเป็นของเราไม่น่าจะถือเป็นของเราเพราะมันเป็นทุกข์เป็นของไม่ดีเพราะฉะนั้น <alternatives>. ชีวิตเรา เกิดมาแต่ละชาติก็คือทุกเกิดตายก็คือทุกดับเอาว่าอย่างหยาบๆถ้าอย่างละเอียดก็คือดับเป็นขณะเกิดเป็นขณะเ น, นี้ก็คือทุกเกิดดับทุกกับทุกเป็นเหตุปัจจัยอุดหนุนกันให้เกิดแล้วก็วนกันอยู่อย่างเนี้ยตัวเราเนี่ยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยในตัวของมันเองเหตุปัจจัยภายนอกมีบ้างแต่ไม่เป็นสาระร้ายแรงเท่ากับตัวร้องตัวเราเองเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยในตัวของมันเอง เหมือนต้นพืชที่ยืนอยู่ในป่าใบลวงลงมาสู่โคนก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยขึ้นไปสร้างใบใหม่ช่อใหม่แล้วก็ลวงวนกันมาอย่างนี้ยืนอยู่ด้วยตัวของตัวเองตรัตจึงตรัสต่อไปว่าอริยสาวกนั้นมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นอภรรปัจจัยหรืออภรรปัจยา พูดอย่างท่านอาประปัจจัยคือผู้ไม่มีผู้อื่นเป็นปัจจัยซึ่งหมายถึงความรู้ความเชื่ออันนี้เป็นความรู้ความเชื่อที่ตัวเองรู้เองเห็นเองไม่ใช่เพราะคนอื่นทําให้รู้ทําให้เห็นและไม่ใช่เพราะคนอื่นรักษาความรู้ความเห็นนั้นไว้ให้ตัวโตคุณพรเจ้าจึงตรัสในตอนท้ายอย่างนี้แล้วก็ตรัส อ, อีกทีนึงว่า ด้เหตุเพียงทั้งนี้แหละกัจจานะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิตัวนี้จึงถ้าว่าโดยปริยายทั้งหมดแล้วเนี่ยมันครอบคลุมทุกระดับเลยนะแต่ถ้าว่าโดยตัวหลักแล้วท่านหมายเอาทิฏฐิชั้นกลางคือวิปัสสนาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นจุดตรงกลางแล้วก็ขึ้นไปหา ทิฏฐิชั้นสูงที่อยู่ในมรรคความรู้มรรคผลรุนิพานแล้วก็โยงกไปรับทิฏฐิชั้นต่ําความเห็นเรื่องชาตินี้ชาติหน้าแล้วก็เรื่องกรรมที่มาในกระบวนการของกระแสเหตุปัจจัยเนี่ยแต่ว่าจุดตัวกลางคือเรื่องวิปัสสนาและอารมณ์ของวิปัสสนาที่บอกว่าไม่ใช่ตัวตนของเราคืออยู่ตรงนั้น สัมมาทิฏฐิกรณนี้จึงเป็นเรื่องของอวิปัสนาเป็นตัวหลักและในตอนท้ายพระพุทธเจ้าจึงทรงประกาศมัชชิมะธรร ม, มเทศนาคือเรื่องมัชชิมาเนี่ยมีสองอย่างผมบอกแล้วนะหนึ่งมัชชิมาโดยปฏิปทาอย่างหนึ่งสุดตรงสองสายไงตกากมรรตานโยกกามสุกันและกาโนโยกนี่เรียวกว่ามัชชิมะโดยปฏิปทา การปฏิบัติแล้วก็มัชิมะโดยเทศนาโดยเทศนาหรือโดยความเห็นโดยวาทะโดยทิฏฐิมัิมะโดยทิฏฐิเนี่ยก็คือความเห็นเป็นกลางอย่างในสูตรนี้และเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นหน้ามันเป็นเทศนาเป็นกลางคือ <c oughs> ทุกอย่างมีเกิดและมีดับ แต่ดับแล้วไม่ขาดศูนย์เพราะมีเหตุปัจจัยของสิ่งใหม่ที่จะพึงทําให้เกิดแล้วก็เกิดแล้วก็ไม่คงอยู่ดับไปเพราะเหตุปัจจัยนั้นมันมีอายุจํากัดเหมือนกันมันก็ดับไปอย่างนั้นก็เป็นการอธิบายไอ้ความเกิดดับเกิดแล้วไม่ถาวรดับแล้วไม่หายไปเลยเพราะพลังของปัจจัยมันควบคุมอยู่ เกิดแล้วไม่ถาวรเพราะปัจจัยไม่ถาวรดับแล้วไม่หายไปเพราะมันมีเหตุปัจจัยจะทำให้เกิดในจุดนั้นส่วนนั้นหน่วยนั้นอีกสืบต่อกันจึงเป็นส่วนกลางอย่างนี้แล้วก็ไอความเห็นอย่างกลางๆางกับข้อปฏิบัติอย่างกลางกลางเนี่ยมันสอดคล้องกันนี่ขอต่อตรงนี้จะให้จบบริบูรณ์ไปนะคือไอสิ่งที่เรียกว่าสุดโต่งเนี่ย มันรับกันพอดีอะคือสุดตรงโดยทิฏฐิกับโดยปฏิปทานะสุดตรงมีสองอย่างโดยทิฏฐิสองอย่างอย่างที่พระเจ้าตรัสในในสูตรนี้เออไม่รู้ว่าผมข้ามเลยมา่าทาะ ท, ที่บอกว่าทรงออนี่ที่บอกทรงแสดง ส่วนสุดเดียวเขเดี๋ย ว, ยวค่อยค่อยอ่านให้ค่อยค่อยค่อให้ดูภาพอ่านนิดหนึ่งว่าดูก่อรกจานะที่สุดข้อที่หนึ่งนี้ว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ที่สุดข้อที่สองนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีสถาคดแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดทั้งสองนั้นว่าก็ยกปฏิจจามาทั้งสองสายสายเกิดระดับ แล้วไอ้คำว่าที่สุดตรงเนี้สุดตรงโดยความเห็นในธรรมจักรเป็นสุดตรงโดยปฏิปทาสองอย่างนี้มันเนื่องกันกล่าวคือการมาสุขขลิกานุโยกเป็นพันธมิตรกับอุดเชทธทธิฏฐิ และอาตตะกิรมัฐานุโยคเป็นพันธมิตรกับสัตสตาทิฏฐิคงใช้เวลาเขียนนิดนะเดี๋ยวอธิบายว่าทําไมถึงกล่าวว่าการมาสุ ข, ขันและการนุโยคเป็นพันธมิตรกับอุเฉทะก็อย่างที่เราบอกคนที่เห็นว่าตายแล้วศูนย์หรือลืมคิดเรื่องตายแล้วจะต้องเกิดใหม่เรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ย ใจมันจะโน้มเอียงไปในทางเสพสุขเลื่มตายถึงไม่บางคนถึงไม่ร้ายแรงก็ไม่เชื่อว่าตายแล้วสูญแต่ถ้าเลืมแล้วก็เผลอไผลสนุกสนานกับโลกมากไปหน่อยถ้าคนมีมรณาสัญญารุนแรงก็มีเครื่องยับยั้งชั่งใจมากหน่อยแล้วในทํานองเดียวกัน คน ท, ที่บัตรอัตตะกิรมั ฐ, น, มฐ น, นุโยกเนี่ยคือทรมานตัวเองเนี่ยพวกนี้เป็นสัตตะอย่างพวกเชนเนี่ยเขาถือว่ามีตนตนจะพ้นได้ต้องใช้วิธีทรมนานบังคับตนออกจากขันไปไปสู่ไกวันยาภูมิก็เลยเข้าคู่กันพอดี นี่นะสุดตรงสองสายที่เป็นของภายนอกสุดตรงโดยปฏิปทาผมเขียนยอ่อปฏิปทาหมายถึงวิธีปฏิบัติข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งทรมานตัวเพื่อให้บริสุทธิ์จะบริสุทธิ์ได้โดยการเสพเสพสุขตามธรรมดาโลกให้เต็มที่ กีเล่มจะได้อิ่มแล้วก็เบื่อไปเลยเข็ดไปเลยพอเบื่ออการมาสุขแล้วมก็ได้อยากอยากไปนิพพานอัตตากิดมาฐานอโยกใช้วิธีกลงกันข้าต้องทรมานให้อดไห้อยากให้เข็ดให้หลับทํามันจะมีทําใ ห, ให้อิ่มจนเบื่อก็ทําให้อดจนเข็ดทรมานตัวให้อัตตาเนเคลื่อนออกจากอัตภาพจากขันนี้ไปแล้วไปนิพพาน ตามวิธีของเจนเนี่ยเชื่อว่าเป็นสัสตตตานั้นพวกเชนเนี่ยเขาเป็นสัสตตตาทิฏฐินะไม่ใช่อุจเจทะแล้วก็อย่างพวกที่ในครูทั้งหกส่วนมากเป็นอุจเจตะหลายคนเป็นอุจเจทะแล้วก็มีปฏิปทาที่ก็ลงโลก ต่อหน้าคนทําอย่างลรับหลังทําอย่างหลวงพ่อเจ้าปฏิเสธดังนั้นของพริเจ้าเนี่ยความเห็นก็ออกมาเป็นกลางข้อปฏิบัติก็ออกมาเป็นกลางเป็นมัชชิมาปฏิปทาแล้วความเห็นก็เป็นมัชมมชิมะทำมัชชิมะเทศนาอย่างที่ว่าในสูตรนี้ หรือมัดน ห, หรือสัมมาทิฏฐิเกี่ยวกาบสัมมาทิฏฐิไปเลยก็ได้สัมมาทิฏฐิเป็นความวันนี้เกินเวลาไปเยอะนะครับขอจบตอนนี้คราวหน้าจะเป็นวิจารเจตสิกแล้วก็ประสูตรอื่นสืบต่อไป